ทีนี้ส่วนธรรมะที่ควรเจริญนะพาเวตะปธรรมธรรมะที่ควรเจริญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมัตตาสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอ่อบทนี้อยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นภาเวตะปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะ ข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสองก็สัมมาสังกัปปะข้อสามก็สัมมาวาจาข้อสี่กรรมันตะห้าก็อาชีวะวายามะก็สัมมาสติแล้วก็สุดท้ายสัมมาส ม, มาธินี่นะก็สัมมาทิฏฐิมันเป็นยังไง และสัมมาทิฏฐิรู้อะไรคือตัวมันเองอ่ะคือปัญญาอยู่แล้วตรงๆแล้วปัญญานี่รู้อะไรจริงก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยแปลแปลถ้าตามสาบทั่วไปบอกว่าความเห็นชอบเห็นชอบนี่เราเห็นชอบนี่เป็นยังไงเห็นตามที่ตัวเองชอบใช่ไหม ช, ชอบยังไงก็เห็นอย่างางั้นไหน สมัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวตรงๆก็คือรู้อริยสัจเห็นไหมไอตัวเห็นชอบเห็นเห็นคำว่าเห็นชอบคือเห็นแล้วมันพ้นทุกข์ได้เห็นแล้วอ่ะตรัสรูม้มรรคผลนิพพานเหมือนกันแต่การเห็นอันนั้นควรจะเห็นอริยสัจเนี่ยนะทีนี้อริยสัจนี่ที่เรียกว่าเห็นชอบหรือรู้ชอบเนี่ยนะคือรู้อริยสัต ร, รู้ตัวนี้มาจากคําว่ายานเช่นว่าทุกขยาน เนะี่ยนะานที่รู้ในทุกอะนะทุกขสมุทัยญาณยเนี่ยนะยานที่รู้ทุกขสมุทัยเนี่ยนะทุกขนิโรเทญาณังเนะี่ยก็คือยานที่รู้จักทุกขะนิโรธเนี่ยนะแล้วก็ทุกขนิโรทะคามินีปฏิปทาญาณังเนี่ยน ะ, นะะความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ตรงนี้ท่านบอกว่านี่คือสัจจะกรรมฐานยานในทุกขกยานในสมุทัยน ะ, ะตัวทุกขกับสมุทัยนี้เป็นวะตะัตตตัวนิโรธกับมรรคเป็นวิวะตะัตตการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าจะละ การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อละกิเลส ท, ทีนี้ละกิเลสเนี่ยละที่ไหนกิเลสเนี่ยจะเกิดที่ไหนเกิดที่วัตตะหรือวิวัตตะกิเลสจะเกิดก็เกิดที่วัตตะใช่ไหมตัววัตตะเนี่ยคืออะไรอันนั้ทุกขยานยานในทุกขทุกอันนั้นคืออุปาทานขันห้าอันนัที่จริงเรานิยมหมวดห้าที่จริงนับหนึ่งก็ได้ใช่มนับหนึ่งคือ ทุกนะสัเพสตาหารติทิกาทุกเหล่านี้ทั้งหมดดำรงอยู่ด้วยปจยัจจัยสังคีติสูตรบอกว่าสัเพสตาสังขาริทิกามีอยู่สองคำ ส, 1. สัเพสตาหารติทิกาคำหนึ่งสัเพสตาสังขารติทิกานี่อย่างหนึ่งอาหารรติทิกาอย่างหนึ่งนกับสังขารสังขาร ทฏิกาคือมาจากคําว่าถิติถิตินี้แปลว่าตั้งอยู่นี่นะตั้งอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยอาหารอย่างหนึ่งตั้งอยู่ด้วยสังขารอย่างหนึ่งนับหนึ่งก็ได้น ะ, ะคำว่าสัพเพสัตตาหารทิฏิก า, กาก็คือทุกขสัตว์ตัวทุกเนี่ยนะดารงอยู่ด้วยอาหารหรือดํารงอยู่ด้วยสังขารพวกนี้เป็นอีกไวโพธของคําว่าปัจจัย นนะตัวปัจจัยนั่นเองทุกทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยปัจจัยปัจจัยของทุกนั้นก็คือก็สมุทัยนั่นแหละแบ่งเป็นสองนะ ท, ทุกขษัตย์นี่นับเป็นสองก็ได้เรียกว่านามกับรูปเรียกเป็นสามก็คือเวทนาสามนับเป็นสีก่ก็อาหารสี่นับเป็นห้าก็อุปาทานขันห้าแต่เราเนี่ยถนัดหมดนี้นะจริงนับเป็นหกก็คือ อายตนะภายใน6นับเป็น7ก็วิญญาณที่ติด7นับเป็น8ก็โลกธรรม8นับเป็น9ก็สัตวว่าดเนับเป็น10อายตนะ10บนับสิองายตนะ12นับ18ก็ท่าสิบแก็แต่นี้โดยมากนิยมในพระสูตรโดยมากพูดถึงขัน5้าที่พูดถึงทำว่าโดยมากคือเราเรียนขันห้าซะโดยมากจริงๆอ่ะนะอย่างอื่นก็มีมาก ทีนี้กิเลสทั้งหลายเมื่อเกิดก็เกิดที่ที่ขันห้ามันก็มาพิจารณาขันห้ า, เ, าเขาบอกว่ายานในในสิ่งเหล่านี้นะหนึ่งโสตะมายายานอย่างหนึ่งสองก็สองเนี่ยน ะ, ะวะวัฏฐานายานววัฏฐานนี้แปลว่ายานในการกำหนดหนะน เพราะว่าฐานต่ว่ากำหนดแล้วก็สัมมสนญาณสัมมสนาแล้วก็มักมักขยานผลยานไปเลยอันนี้ยกตัวอย่างมาเท่านี้สุตตม ย, ยาญาณก็คือเรียนมาเป็นอย่างดีเลยว่าทุกมันเป็นยังไงคําว่าทุกขอบเขตมันแค่ไหนอะไรคือทุกทุกคืออะไรเนี่ยนะ ก, ก็เรียนมาเป็นอย่างดีแล้วสมุทัยมาจากยังไงอะไรยังไงเนี่ยเหตุปัจจัยยังไงก็เรียนมาเป็นอย่างดีเลยทีนี้ตัวนิโรธเนี่ยก็ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างเดียวนะเพราะไม่มีใครขึ้นต้นกําหนดนิพพานเลยหรอกแล้วมรรคขึ้นต้นพรวดเจริญอริยมรรคทันทีเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจว่านิโรธดียังไงแล้วก็มรรคเนี่ยองประกอบบริบูรณ์ด้วยประการใดก็ให้เข้าใจ นี่พอเข้าใจแล้วก็สุตะมายญานเนี่ยเป็นอย่างดีในใ น, ในอริยศาสตร์นะฟังให้ดีสรุปว่าอริยศาสตร์นี้ถ้าฟังมาดีนะทุกนี่เป็นยังไงทวนนะเกิดเป็นทุกข้อแรกนะเกิดเป็นทุกข์สองแก่เป็นทุกข์ธรรมจักบอกว่าเจ็บเป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกก็เป็นทุกข์ความคร่ําครวนก็เป็นทุกข์ ความลำบากกายก็เป็นทุกข์ความเสียใจก็เป็นทุกข์ความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พลาดพลาดจากของรักก็ทุกข์นะแต่ก็เป็นต้นทีนี้จะย่อเทศนาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือขันห่านะไอ้ที่กล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายป่วยไข้โศกปริเทวทุกขโทมนั้อุปาญาสัมปโยวิปโยค ปรารถนาไม่สมหวังทั้งหลายแหละทั้งหมดนั้นคือขันห้าปารทานขันห้าเพราะถ้าจะมานั่งไลว่ว่านายโสมทัศนะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลาดพลาดจากของรักเป็นทุกข์นายเทวทัตยอย่างเงี้ยนะนายโสมทัศตเทวทัตพรหมทัตถนั่งไล่อย่างงี้กี่ปีมันจะจบจริงๆแล้วทุกทั้งหมดเนี่ยโดยสภาวะมันย่อไม่ได้แต่ย่อดโดยคําสอนได้ว่าทั้งหมดจริงๆเลยคือขันห้าคือตัวทุกข์แตก น, นะ เสร็แล้วตันหาโปโนภวิกาตันหาตัวที่นําเกิดในภพใหม่คือการเพลิดเพลินในขันห้านั่นแหละทั้งที่เป็นการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตัวนั้นแหละคือเฮแทงทุกมาก็สุตตมายาญาเ น, นี่ยฟังจนเป็นอย่างดีเลยทีนี้ถ้าวะวัฏฐานายาถ้าเริ่มกําหนดเนี่ยกำหนดยังไงคือตอนที่ฟังเนี่ยอาจจะคิดถึงแต่ขพยันชนะเฉยเฉยใช่ไหม แต่ว่าทำยังไงจะเอาความรู้อันนี้ลงในในชีวิตที่เป็นจริงได้เนะเอามาใขค้ควรลงในชีวิตที่เป็นจริงอันนี้แหละเรียกว่ากำหนดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเห็นใครแล้วก็เนี่ยชาติพิทุขาชร า, าพิทุขาคือมาใขค่ควรว่าตามนี้จริงๆนั่นแหละอันนี้เรียกว่าการ การกำหนดนะถ้าแยกแยะชีวิตของเขาก็คืออุปาทานขันธ์ห้าซึ่งประกอบไปด้วยรูปรูปประกอบไปด้วยอะไรก็แยกแยะแล้วก็ใคร่ครวญทั้งหมดอันนี้เป็นวะวัฏฐานญาณส่วนสัมมาสนญาณ น, นี่คืออะไร น, น, นะญาณที่ไปพิจารณาว่าขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้าใคร่ครวญถูกต้องต้องบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะก็จะอันนี้ลัดลัดมาเฉย เรียกว่าพูดแต่ใจความก็จะมีเท่านี้ความรู้อันนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความรู้อย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะเป็นสัมมาทิฐิทีนี้พื้นฐานถ้ามีสัมมาทิฐิเช่นรู้คุณของอริยมรรคตัวอริยมรรคเนี่ยดียังไงะนะถ้าใช้คําว่ามรรคอีกศัพท์หนึ่งนะมรรคนี้หมายคำว่า เป็นธรรมชาติที่สแสวงหานิพพานตัวสับนะตัวที่สแสวงหานิพพานหรือผู้ใดปรารถนานิพพานต้องสแสวงหามรรคใครที่ต้องการนิพพานนี่ต้องเจริญมรรคน่นะนะต้องต้องสแสวงหาว่างั้นอะและอย่างหนึ่งก็คือตัวที่ประหารกิเลส ประหารกิเลสและขันทีนี้มร์เหล่านี้เนี่ยประโยชน์สูงสุดเลยคือ1ละกิเลสกับไม่ให้ขันเนี่ยเกิดขึ้นถ้าประหารกิเลสได้เท่าไหร่ขันจะไม่เกิดขึ้นตามสมควรใชเช่นถ้าโสดาปฏิมร์เกิด น, น, นะโสดาปฏิมร์เกิดนะกิเลสที่ประหารคือสังโยชน์สา สกายทิถิวิจิกิจชาศีลพัตะปรามาตประหารขันในภพที่8ดขันที่ที่ถูกละนะละปฏิสนที่ในภพที่แดสแล้วถ้าสกะทาคามิมัตละกิเลสยังหยาบอีกสองเพิ่มพิเศษเนี่ยนะเพิ่มพิเศษเช่นโทสะกับราคาได้ครึ่งหนึ่งละภพที่สอง ที่เป็นกาที่เป็นมนุษย์นะ น, นะจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินหนึ่งชาติหนึ่งครั้งถ้าเป็นพระอนาคามีนะละกิเลสสองที่เหลือเนี่ยโดยสมุดเฉดเพราะฉะนั้นละกามมาพบหมดถ้าเป็นพ้าวหารล่ะนะนะละสังโย์อี่5ที่เหลือ ละขันเกลี้ยงละปฏิสนธิในภพใหม่คำว่าขันในที่นี้เนี่ยเน้นขันในภพต่อต่อไปนะไม่ได้เน้นขันในภพนี้เพราะไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์และตายทันทีไม่ใช่เป็นพระโสดาบันและตายทันทีไม่ใช่หมายถึงปฏิสนธิในภพต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปเนี่ยท่านละได้ทีนี้ผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้ถามว่ากรรมมกตาดีไหมจึงต้องการตัดแบบนี้ดนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ที่จะมีเห็นคุณของการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ต้องรู้จักที่เรียกว่ากรรมเป็นอย่างดีเรียกว่ารู้เงื่อนไขของการให้ผลของกรรมเป็นอย่างดีใช่ไหมกรรมเนี่ยนำเกิดเพราะอะไรจึงจึงจึงรู้ว่ากรรมเนี่ยมาจากกรรมที่มันให้ผลนำเกิดนี่จากกิเลสมักนี่เป็นตัว ประหารกิเลสถ้ามรรคประหารกิเลสกรรมมันก็จะให้ผลได้ตามสมควรใช่ไหมถ้าโสดาปฏิมรรคก็นำปฏิสนธิที่เป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจครั้งส่วนรายละเอียดภาคบ่ายนี่จะเอาเรื่องกรรมมาพูดพอสมควรจะเป็นภาคบ่ายนะมหากุศลให้ผลเป็นมหาวิบากจะเอาเรื่องกรรม12ตามปฏิสัมพิธามรรคมากล่าวตามสมควร พราฉันธ์ความรู้อันนี้มีเป็นเบื้องแรกก่อนเรียกว่ามีสัมมาทิฐิเพราะฉะนั้นก็คือความรู้ในอริยสัจและกรรมมักตายานเนี่ยเป็นอย่างดีละเมื่อมีสัมมาทิฐิอย่างนี้อย่านะีพระองค์แสดงสัมมาสังกปะต่อมาอย่านะีเห็นไหมแสดงสัมมาสังกปะต่อมาคือสัมมาสังกปะที่เป็นโลกีญานี่แบ่งออกเป็นสามคือเนคขมมะ สังกัปะก็สองก็อัพยาปาทะสังกัปะสก็อวิหิงสาสังกัปะเนี่ยนะเนคข ม, มะสังกัปะคือการต้องการสลัดออกจากทุกขสมทัยเนี่ยนะะให้ให้ตรงเลยนะให้เพราะว่ากุศลทั้งหมดเป็นเนคข ม, มะวิปัสสนาก็เป็นเนคขมะเนี่ยนะจริงๆแล้วคํากุศลทั้งหมดวิปัสสนามรผลเนี่ยเป็นเนคข ม, มะหมดเลย แต่ตรงนี้ก็คือเนคขมมะต้องการสลัดออกจากภพทั้งมวลเนี่ยนะข้อสองก็อัพยาปาธานี้ก็คือเมตตานั่นเองส่วนอวิหิงสาก็คือการุณาที่ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าเห็นโทษของขันห้าแล้วมีโทสะมากไม่ใช่ใช่ไหมคนคนที่เจริญวิปัสนาเป็นต้นมากๆไม่ใช่คนมีโทสะมาก ที่เรียกว่าคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดทําลายคนอื่นแช่งชักหักกระดูกคนอื่นขาดความเมตตาการุณามไม่ใช่เลยเ ห, ห็นไหอ่า <c oughs> คือเขาบอกว่าสํานวนนะไม่มีอภิชากะโทมนัทตรงนี้เนี่ยให้ตรงนั้นละกลุ่มโทมนัมทนนนแล้วก็มีคนที่เห็นโทษของขันท่าใช่ไหม <c oughs> แต่มีโทสะกับขันท่า แต่ตรงนี้ไม่ใช่นะมีเมตานะมีกรุณาแต่เห็นโทษเอาสิ ย, ย, ายากใช่ส่วนเนคขา ม, ม่านี่จะออกอ่ะถ้าถ้าต้องการออกจะโทสะใช่หโดยมากนะ คือคือสมมุติว่าอย่างเพื่อนสองคนถ้าไม่อยากอยู่ด้วยกันโดยมากจะหาเรื่องทะเลาะ ก, กันก่อนนะแล้วค่อยออกจากกันเนี่ยนะก็โดยมากจะเป็นลักษณะแต่จะไม่ออกด้วยเมตตาและกรุณาไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนั่นก็พวกนี้ตัวเนคขมานี่ละอะไรละอภิชาคุณคุณไปคิดตามหลักอันนี้แต่คุณต้องไม่มีอภิชาคือไม่ปรารถนาขันห้า แต่คุณไม่ใช่ว่าไปมีโทสะในขันห้าเอานะนี่เนี่ยคือหลักการว่าเธอจงอย่าคิดแบบนี้ที่เป็นอากุศลวิตกนะคือหนึ่งอย่าคิดเอาขันห้าสองอย่าไปคิดโกรธในขันห้าอ่าแต่ให้คิดยังไงให้คิดแบบนี้เพราะถ้าคิดตามหลักอริยสัจนะมันจะไม่เข้าอภิชากบโทมานับทังก็พระองค์ก็แสดงสัมมาสังกัปปะต่อมา ขเห็นคุณนะอ ย, อย่างเมื่อกี้เนี่ยอนุสาสนีปฏิหาริย์พระองค์เอาวิตกมาแสดงข้อแรกนะวิต ก, กะขออ้อ2มนานสิกานานการเข้าถึงเธอจงตรึกเธอจงตรึกอย่างนี้ น, นะมนสิกาจงวิต ก, กะใช่หให้เนี่ยให้เนคข ม, มวิต ก, กะเพื่อจะละอภิชาให้เจริญอภยยาพาท่าอวิหิงสาสังกปะเพื่อละ ละ อ, อะโทสะให้เธอมีเมตากับมีกรุณาเนี่ยนะเขาบอกว่าเธอจงยาตรึกอกุศลวิตกจงตรึกกุศลวิตกข้อแรกนะข้อสองจงมนานสิการอย่างนี้ว่าไอ้คันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่งามให้มนานสิการอย่างนี้นะอย่าไปมนานสิการว่าเที่ยงสุขและงามอย่าไปคิดแบบนั้นเธอจงอจงละสิ่งนี้ นะจงละสิ่งนี้คือเนี่ยทุกสมุทัยเนี่ยจงละนะจงเข้าถึงสิ่งนี้เรียกว่าจงละโลกิยะจงเข้าถึงโลกุตระเนี่ยนะเพรา ะ, ะโดยหลักการคําสอนรวมๆแล้วมีอยู่เท่านี้แหละถ้าถ้าปฏิบัติได้จับใจความได้ก็สาริบุตรท่านบอกว่าพยัญชนะมากมันเยอะๆเหมือนกันเอาพยัญชนะน้อยๆก็พอทีนี้ต่อไปอว่าให้ให้ตรึกแบบนี้ในอัตกถา อุปมาสออย่างอุปมาว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนกับตาสัมมาสังกัปปะเหมือนกับมือนี่รายแรกก่อนนะเช่นถ้าเราจะดูอะไรเนี่ยนะใช้มือพลิกใช่ไหมตาดูสัมมาสังกัสัมมาทิฏฐิเหมือนการเห็นสัมมาสังกัปปะเหมือนกับการเอามือเนี่ยพลิกเช่นจะดูอะไรก็มือพลิกพลิกิกพไปตาก็ดูไปอย่างที่2เหมือนกับ ช่างถากไม้ใช่ไหมที่จะถากไม้เกลาไม้เนี่ยนะไอตัวคมจริงๆถ้าถ้าใครเป็นช่างไม้ที่ถ้าจะทําให้มันเหลี่ยมเนี่ยนะให้ให้มันกลมเนี่ยถ้าไม่ขยันพลิกนะถากอย่างเดียวพราตัดขาดหมดอะมันต้องพลิกไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเนี่ยนะมันจึงจะเหลาไม้ได้ดีเนี่ยนะเพราตัวตัวสัมมาทิฏฐิเหมือนตัวเหลาตัวเกลาตัวขัดแต่ว่าตัวสัมมาสังกัปปะเหมือนกับตัวที่หมุนห ม, นหมนุพลิกพกพลิกหมหมุนเนี่ให้มันเข้าช่องเนี่ยนะ เพราะปกตินี้สัมมาทิฏฐิถ้าอุปมาเหมือนตาเนี่ยชัดตาเนี่ยจะไปพลิกอะไรดูไม่ได้ตานี่ไปพลิกหนังสืออ่านได้ไหมไม่ได้ใครใช้ตาพลิกหนังสือนี่แย่แน่นะตาบอดแน่ไม่ใช่มีใครทำได้หรอกถ้าพลิกนะั้นแต่ยิ่งเอาเปลือกตาไปเปิดหนังสือเล่มโตๆด้วยนะลำบากหมออีกอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นตาเนี่ยถ้าว่าดูมือเนี่ยพลิก แต่มือก็ต้องพลิกให้สมควรกับตาดูได้นะมันจะว่าโอ้โหวิตกมั่วไปหมดเลยนะตานี้ดูไม่ทันเลยนะก็ต้องให้มันพอดีพอดีกันนะให้มันเหมาะสมกัน